ในโอกาสบัดนี้อาจาาจะมาพาจะแสดงพระสัรพมเทสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อเป็นเครื่องสดทงองคตธาบรมีขั้นดาตัณมบริษัทท์อย่างหลายวามจริงวันวิสาขาบูชานี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง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 ทีรเราสาพระฤาษีทำทั้งบุญและบาป ท, ท, ท, ทำด้วยกันทุกคนเหมือนกันแม้แต่องค์สัเด็จพระพุทธวันบริมาสสาวชนดาสัมมาทิเจ้าก็ทำมาเช่นเดียวกันในตอนต้นที่องค์ e, สมเด็จพระพุทธวันเกิดขึ Al ้นมาแล้วจำต้องอยู่ตรงนี้อีกเก้าปีตอนนั้นอโกษและบารมีเป่นบุญที่ไม่ดีเข้าขวางทางในใจขององค์สมเด็จไตรจอมไตรบริมาสาวชดา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 องสมเด็จพร네ะสัมมาทพิเจ้าได้ทรงแสดังแล้วรงเด็จพระบพิตรแล้วก็ทรงคิดว่าเราจะต้องหาทางพ้นจากความตายนี mm ่เ hmm. ส mmm, ียงอะไรเสียงอะไรให้เขาให้เขาเล่าฟังดีไหมไอ้เสียงก้นกล้องนั้นมีเวลานี Sims ้ Sims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 Uh. หลังจากนั้นก็มาขึ้นม้าม า, ากำลังกระคือมาใบแจ่มโสงม้าตัวนี้มีกําลังมากนายขันธะก็มีกําลังมากฉันเด็กก็พูดมีาท่าก็มีกําลังมาก <c oughs> ออกประตูในตอนดึกพอถึงประตูก็ไม่มีคนเปิดเพราะประตูนี้ใหญ่มากจะเวลาจะใช้คนเปิดต้องใช้คนหนึ่งพคนเปิดที่จะออก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 หลังจากไม่เอาทรงฉี่มา ก, กรรมกะมีในฉันนะเป็นผู้นำออกจากพระราชนิเวศเวลานั้นปรากฏพุทยามาราธิราชพุยามาราธิราชเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านปรินิตวะสวัสิดีคือบัเพ็นบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ได้สยความโลภเทวดาองค์นั้น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 หมายความว่าสมาธิดีขึ้นจิต ก, ก็สงบได้ปลุกโครื่องวายสารายนั่งถอยหน้าถอยหลังแล้วเกิดชาติไหนเม่อบ้างไปอะไรไมื่บ้างก็ทรงทราบว่ากายเกิดของเรานักไม่ทนเป็นสัตว์มากกว่าเป็นคนลงมารกมากกว่าเป็นเทวดานักตรงก็จะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายหลังจากนั้นไปก็เกิดนิพพ า, ยยาน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 ก็แปลจบเพ็นวาลพิองสมเด็จพระบทัทฑิตแก้วจะต้องนิพพานมาวันหนึ่งมารผู้มีบ า, าปไม้พยามาราชีราชเ ข, ข้าไปกา ร, ราบทูบททบทลองสมเด็จพระบรมรูปนาฏราชพระสัมมาณฐโคดมวันที่เราไปรบกวนท่านดีโคนต้นโพเม่กี้ม่ได้เทศไปคนต่างคนต่างรู้แล้วแต่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเจกริย์ว่าถ้าบริษัทธี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 เมื่อเขากลับไปแล้วองค์มมสมเด็จพระจอมไตรปมิสสะสันดาลก็เ็นาร่างกายว่าเป็นแก่มากแล้วทุโส ม, มากแล้วร่างกายยัทำไม่ไหวยานจะต้องนิพพานในวาระนีเพีงตัดสินใจวันนั้นเป็ น, ลล น, นวันกลางเดือนสนามพิศวรมาฆฆบูชาองค์สมเด็จพระรอมสันดาลยินดทรงปรงอายุสังขาร ว่านับแต่บัดนี้ไปสามเดือนรามิมพานในระหว่างนางดังมางคูร์เมืองกุสิจา ร, รามหาเมฆอนวันกลางเดือนหกเพื่อตรงกบวันินสูตรควาตรู้ระบาิผ่าน อ, องค์สมเด็จพระจิตมานทรงพระองอายุสังขารแล้วเป็นดินก็ไหวราชน์นมีความสงสยัยนีเข้าไปถามปัญหาเป็นดินไหวส้าบอกมีแปลกการก็ไม่ขอเทศในที่นี้ หลังจากนั้นไปองค์สมเด็จจินสีก็ทรงป่วยหนักขึ้นมาทักทีเวลาในตอนนั้นปรากฏว่าเป็นโกมารพัฒ์หมอประจำพระองค์ไม่อยู่ต่อมากลับมาทราบว่าองค์ ส, สมเด็จพระบรมครูป่วยหนักร่างกายทูบดชิดมากแต่ก็ไม่ละการสนแสนดงพระธรรมเทศนา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 แล้วจะถวายยาใหม่หนึ่งเม็โท้นี้จะหายทันทีท่านทํายานี้เข้าพเถวายก็ปรากฏองค์สมเด็จพระจอมใจไม่ทรงรับข้ามเมื่อเสียเรื่องพระเจ้าจะทําได้แค่สามครั้งถามไม่เกินสามครั้งถวายไม่เกินสามครั้งถ้าไม่ตอบหรือไม่รับก็ต้องเลิกกันเมื่อท่านโกมาละพัดอวยานี้นันถวายพระเจ้าพระเจ้า่ํามหรือไม่ยอมรับสามมระท่านก็เสียใจ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 อาวาเเจดีไกรโ ย, ยกุตินารามาคนครประมาณร2อยยี่สิบโยต์ขณะเดินไประหวา่างกลางบรรดาธัรมภูมิบรสักเพีย6หกสิบโยต์พอดีองค์สมเด็จกินาสีก็หันมาบอกว่าอนว่ า, านานทาดูก่อนอนนลจยงปูสังฆาติาจะขาคตจะยนนั่งตรงนี้ทักหน่อยเพราะตาโคดเหนื่อยเกินเดินไปไม่ไหวตอนนี้ถึงบ้านนนก็ร้องไห้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 พอจากที่นี้น้ำพระอันดุลก็กลับไปใหม่ไปใหม่เัิงใกล้เหลือเกินห่างกันไม่กี่วานะักกลับไปตรงนี้รู้สึกว่าเป็นเหตุอัศจรรย์น้ําที่คุณคลักมา่ี้นี้มันใสแจ๋วเหมือนกับน้ําแก่นตํตาส้มแ้่เดินเห็นไป็นเหตุาอาัศจรารย์ตักมาถวายองค์สมเด็จพระปฐมกันแล้วพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสเสวยเสร็จ ยังกราวคุณองค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้าว่าพันเตรพระกะว่าแต่องค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระ พ, าาพ่าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะเป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่นี่ที่น้ำขุนมากแต่กลับไปเข่าหลังนี่นั่นน้ําใธสผิดปกติสมเด็จพระพูมีพระพ่าเจ้ายังกล่าวว่าอานานพระดวก่อนอนอน์ขึ้นที่ว่ากรรมที่คือโกศุก็ดีและโกสุนก็ดีไม่ได้น้อยที่อยาประมาท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 ในกรณีว่าพระอระหันต์มีจัง 2, สองแสนเศษยังมีพระโสดาภิธาการนาคาอีกมาก <c oughs> <c oughs> เวลานั้นมีเฉพาะพระอริยเจา้าเึีงทําอาหาราหาา 2, ทัางไหว้เจริญทาสองแสนเศษต้องใช้อาหารไม่น้อยจึงสั่งข้าตุ ก, กรอนเป็นจนํานวนมากก็อาหารก็มีหลายอย่างไม่มีเฉพาะเนื้อสกรอย่างเดียว เวลาที่กัปหลงอาหารไว้อาหารวันนิภัยก็ดีวันรู้สึกสมาธิวิญญาณก็ดีต้องเวลานี้ก็ถือว่ามีสงดีเป็นกรณีพิเศษเป็นสงมากกว่าอาหารธรรมดาเทวดายังนำของทิษพิษมาโปรยไปในอาหารที่มีเนื้ขขอสกปรกอ่อยเพื่อจะทำบุญร่วมกับบรรดานายนายจุนและคนทั้งหลายเวลานั้นเมื่อเขาทำอาหารสุกแล้วคือ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 ในจุนก็นำอาหารที่มีเนื้อสกรอ่อนถวายแก่พระพุทธเจ้าอาหารวนอื่นถวายพระอื่นเมื่อเสวยเสร็จมันก็ไม่หมดองค์สันเด็จพระรองสุคตยังสั่งในจุนบกวาจจุนทระในจุนอาหารเนื้อสกรอ่อนทั้งหมดที่ตถาคตทังเหลือนี้ไปฝังดินให้หมดอย่าให้คนอื่นกินเขาก็ฝังดินตามตามพระพุทธํดาดั จากนั้นมาองค์สเมเด็จประทุรสมบัติมีภาพก็เริ่มปชวนเป็นวิเศษป่วยมากอยู่แล้แองค์สเมเด็จพรที่แกลป่วยใหม่หนึ่งโรคคือขันธิก า, าพาตโรคขันธิก า, าพาตที่คทายเป็นโลหิสตสดสดต่อจากนั้นไปองค์สเมเด็จพระบรมสุภครก็สเสด็จไปกุศลนราไปไประหว่ า, างหลังหลังนั้งโคกมีวิหารวิหีดนั่น ตอนนั้นนราองค์สมเด็จพระพักวันรมัสสะชนดาทรงบัตทับบรรทมอยู่สมเด็จพระรูมาคูก็เรียกพระอานุน้ามาว่าอานันทธาตุกรอนุนนน์ถ้าใครค้าตาําหนิตีเตียนในในจนว่าถ้าไหวอาหารกับตถาคตแล้วถ้าไม่ตะทาดกตุ้ป่วยก็มีผ่านจงบอกเขาว่าอาหารที่เนี้ยนสงเลิศประเสริฐถ้าทานผู้เนี่ยนิสงเลิศประเสริฐประทานใดๆก็มีสองเวลา ละทานพุนาสุชาดานี่เป็นปัจจัยให้กระคาโคตรบรรลุไปเสด็จปัมมาสโพพโยา ย, ยนไดกรทานที่จะไหววัยใกล้นี้ปาวันจนี้ผ่านนี้ก็เป็นทานประเสริฐในสงฆ์เช่นเดียวกันจนบอกกับคนอันหลายก็นในจุลอย่างนี้ก็จะ ไ, ไม่เสียใจถ้าถงกระไรก็ดีในจุลจะถวายอาหารเนี่ไม่ถวายอาหารก็ตามทีกระคาโคตรต้องนิพพานวันนี้แน่